ถมิกะปาติโมขัถปณ ะ, ะว่าด้วยการงดปฏิโมที่ชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุผู้เป็นปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุต้องทาคือปาราชิกด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ต้องทำคือปาราชิกภิกษุไม่เห็นภิกษุผู้ต้องทำคือปาราชิกก็จริง แต่ภิกษุอืなな่นบอกภิกษุนั้นว <Glory S 1> ่าภ <2 Cor. S 1> ิกษุชื่อนี้ต้องทาคือปราชิกภิกษุไม่เห็นภิกษุผู้ต้องทาคือปราชิกทั้งภิกษุอื่นก็ไม่ได้บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ต้องทาชื่อปราชิกแต่ภิกษุผู้ต้องทาคือปราชิกนั่นเองบอกภิกษุว่าผมต้องทาคือปราชิกภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ14หรือ15คหาคนั้น เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสงด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลนี้ต้องทำคือประราชิกข้าพเจ้างดปฏติโมกแก่บุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปฏติโมขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปฏติโมชอบรำเมื่องดปฏิโมกแก่ภิกษุแล้ว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 มีอันตรายแก่พรหมจันทร์ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าในอาวาสนั้นหรืออาวาสอื่นพึงประกาศถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า้อยคาปราบปรารภิก ข, ของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้าพึงได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ในวันอุโบสถ14หรือ15ข้ามนั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าทอดคำปรารบปราชิกของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยข้าพระเจ้างดปาติโมแก่บุคคล น, นั้นเมื่อบุคคล น, นั้นยังอยู่พร้อมหน้า ไม่พึงยกปาติโมขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโมชอบทำที่ชื่อว่าภิกษุผู้บอกคืนศีกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้นคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุบอกคืนศีกขาด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้บอกคืนศีกขาภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้บอกคืนศีกขาก็จริง ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุนี้บอกขืนศึกขาภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้บอกคลืนศึกขาทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้บอกขืนศึกขาแต่ภิกษุผู้บอกขืนศึกขานั่นเองบอกภิกษุว่าผมบอกขืนศึกขาภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถสิหรือ15บห้าค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้า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 บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายสิบอย่างคือหนึ่งพระราชาเสด็จมาละถึง10มีอันตรายแก่พรหมจันทร์ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่เมื่อผู้นั้นอยู่พร้อมหน้าในอาวาสนั้นหรืออาวาสอื่นพึงประกาศถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้อยาปรารบการบ่อขืนศีกขาของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงวินิจฉัยเรื่องนั้นถ้าพึงได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ในวันอุโบโสถ14หรือ15บ่ํานั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้อยคำปรารบการบอคืนสิกขาของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยเขาไเจ้างดปาติโมก่บบุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโมกชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมคือภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ ภิกษุเห็นภิกษุไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่า ภิกษุชื่อนี้ไม่เข้าร่วมสมคีที่ชอบทำแต่ภิกษุผู้ไม่เข้าร่วมสมคีที่ชอบทำนั่นเองบอกภิกษุว่าผมไม่เข้าร่วมสมคีที่ชอบทำภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบโสถ14หรือ15บหําค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสงฆ์ด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญ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 ด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุในคารสมคีที่ชอบทำภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ค้านสมคีที่ชอบทำก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ค้านสมคีที่ชอบทำภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ค้านสมคีที่ชอบทำภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ค้านสมคีที่ชอบทำ แต่ภิกษุผู้ค้านสมคีที่ชอบทำนั่นเองบอกภิกษุว่าผมค้านสมคีที่ชอบทำภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบโสถ14หรือ15บห้าค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสงด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลชื่อนี้ค้านสมคีที่ชอบรม ข้าพเจ้างดปาติโมกแก่บุคคล น, นั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโมกชอบธรำเมื่องดปาติโมกแล้วบริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายสิบอย่างคือหนึ่งพระราชาเสด็จมาและถึงสิบมีอันตรายแก่พระมรรจันท์ภิกษุทั้งหลายภิกษุวังอยู่ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าในอาวาสนั้นหรืออาวาสอื่นพึงประกาศท่้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าทอดคําคปรารบการค้านสมคีที่ชอบธรรมของบุคคลชื่อนี้อย่างค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงวินิจฉัยเรื่องนั้นถ้าพึงได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้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 ที่ชื่อว่าภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินแ ล, และมีผู้นึกสงสัยเพราะศี drank, ลวิบัติมีอย at ู่คือภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิบัตด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัย ภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะสิรวิบัิก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภ claro ิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะสิรวิบัิภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิบัิทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่า ภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสยัยแต่ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสยัยเพราะศีลวิบัตินั่นเองบอกภิกษุว่าผมมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสยัยเพราะศีลวิบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถสิ่หรือ15าค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศถ้ำกลางสง์ ด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิปัตินข้าพเจ้างดปาติโม่แก่บุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาติโม่ขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโม่ชอบทำที่ชื่อว่าภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยิน แ ล, violin. และมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติมีอยู่คือภ e, ิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติ ภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่า ภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสยัยเพราะอาจารวิปัติแต่ภิกษุที่ ม, มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิปัตินั่นเองบอกภิกษุวา่าผมมี <of> ผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิปัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ14หรือส5ห้าค่ำนั้น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 ที่ชื่อว่าภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบ well ัตมีอยู่คือภิกษุทั้งหลายก็ในกรณี น, นี้ภิกษุเห็นภิกษุ <vig> <demonstrations> ที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบัตด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเห็นให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบัต ภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสยัยเพราะทิฏฐิวิปัติก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิปัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิปัตสทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่า ภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบัติแต่ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบัตินั่นเองบอกภิกษุว่าผมมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏวิบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ14หรือ15าค่ำนั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้า พึงประกาศถ้ำกลางสงด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติข้าพเจ้างดปฏิโม่แก่บุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปฏิโมคขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปฏิโม่ชอบธรรม การงดปฏิโมกชอบธรรมมีสิบอย่างนี้แหละผมพานวารจบเจ็ดอาตาทานะอังคะว่าด้วยองค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าภิกษุผู้ประสงค์จะรับชำระอธิกรณ์ควรรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์เท่าไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์ห้าคือ 1>, 1. ภิกษพิู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงพิจารณาอย่างนี้ว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้ถึงเวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้หรือไม่ถึงหนอถ้าภิกษุพิจารณ า, ร, า, speakers, ร, า, ร, ณารู้อย่างนี้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้ถึงเวลาหามิได้ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้น 2. อันหนึ่งถ้าภิษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่า ถึงเวลาที่จะรับอธิกรนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรนี้อธิกรที่เราจะรับนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าอธิกรที่จะรับนี้ไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ควรรับอธิกรนั้นสอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่า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 อธิ i i: อกรนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่มี ป, ประกอบด้วยประโยชน์พิกษุน <badly>. ั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรนี้จะได้พิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบกันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรนี้ไว้เราจะไม่ได้พิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบกันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัย ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นหอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้เราจะได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบกันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินยัยภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้อธิกรณ์นั้นจะเป็นเหตุให้สงบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทสงแตกกัน สงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันหรือไม่ถ้าพิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์ไว้อธิกรณ์นั้นจะเป็นเหตุให้สงบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นอันหนึ่งถ้าพิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่า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 ประกอบด้วยความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องพิสษุผู้โจดนั้นย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านสำเนียอความประพฤติทางกายเสียก่อนเถิดภิสษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 2. อ, อันหนึ่งภิสษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือนอ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 ภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 4. อ่นนงภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เราเป็นพระหูสูตรทรงสุตะมีการสั่งสมสุตตะหรือหนอเราได้สะดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงานเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุด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 ประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพิกษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระปริยัติเสก่อนเถิดพิกษุผู้โจดนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 5. อนหนึ่งภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เราทรงจำปาติโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดาร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 เชิญท่านศึกษาพระวินัยให้ชำนาญเสีย ก, ก่อนเถิดภิกษุผู้โจท์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้อุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นเผืพ่พิจารณาคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างนี้จึงโจ์ผู้อื่น โจทะเย็นะอุปถาเปตพะธรรมะว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจดพึงตั้งไว้ในตนท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติเท่าไรไว้ในตนพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติห้าอย่างไว้ในตน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 พึงตั้งคุณสมบัติห้าอย่างนี้ไว้ในตนจึงโจ์ผู้อื่น 10. โจทกกะจุติตะกะปฏิสังยุตตะกะถาว่าด้วยเรื่องของผู้โจท์และผู้ถูกโจท์ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจรโดยไม่ชอบธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไร I, พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้โจรดโดยไม่ชอบธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ท่านโจรโดยการไม่ควรไม่โจรโดยการที่ควรจึงสมควรเดือดร้อน 2. ท่านโจรด้วยเรื่องไม่จริงไม่โจรด้วยเรื่องจริง จึงสมควรเดือดร้อน 3. ท่านโจทย์ด้วยคําหยาบไม่โจทย์ด้วยคําสุภาพจึงสมควรเดือดร้อน 4. ท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์จึงสมควรเดือดร้อน 5. ท่านมีจิตมุ่งร้ายโจทย์ไม่มีเมตตาจิตจึงสมควรเดือดร้อนอุบาลีภิกษุผู้โจทย์โดยไม่ชอบธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างเหล่านี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะภิกษุแม่อื่นไม่พึงสําคัญบุคคลที่พึงโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงเรื่องผู้ถูกโจทย์โดยไม่ชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อนท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่ชอบธรรมไม่พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ปูบาลีภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่ชอบธรรมไม่พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ท่านถูกโจทย์โดยการไม่ควรไม่ถูกโจทย์โดยการที่ควรจึงไม่สมควรเดือดร้อน 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงไม่ใช่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงจึงไม่สมควรเดือดร้อน 3. ท่านถูกโจทย์ด้วยคําหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยคําสุภาพ จึงไม่สมควรเดือดร้อน 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จึงไม่สมควรเดือดร้อน 5. ท่านถูกโจยเพราะความมุ่งร้ายไม่ใช่ถูกโจยเพราะเมตตาจิตจึงไม่สมควรเดือดรอ้อนอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจยโดยไม่ชอบธรรมไม่พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ5อย่างเหล่านี้ เรื่องผู้เป็นโจทย์โดยชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อนท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยชอบธรรมไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยชอบธรรมไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งท่านโจทย์โดยการที่ควรไม่ใช่โจทย์โดยาการไม่ควร จึงไม่สมควรเดือดร้อนสองท่านโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่ใช่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงจึงไม่สมควรเดือดร้อนสามท่านโจทย์ด้วยคำสุภาพไม่ใช่โจทย์ด้วยคำหยาบจึงไม่สมควรเดือดร้อนสี่ท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์จึงไม่สมควรเดือดร้อน 5. ท่านมีเมตตาจิตโจทย์ไม่ได้มุ่งร้าย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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจดด์โดยชอบธรรมพึงเดือดร้อนด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ท่านถูกโจร ด, ด้วยการที่ควรไม่ใช่การอันไม่ควรจึงสมควรเดือดร้อน 2. ท่านถูกโจร ด, ด้วยเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่จริงจึงสมควรเดือดร้อน 3. ท่านถูกโจร ด, ด้วยคําสุภาพไม่ใช่คาหยาบจึงสมควรเดือดร้อน สท่านถูกโจดด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์จึงสมควรเดือดร้อน 5. ท่านถูกโจ์ด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เพราะมุ่งร้ายจึงสมควรเดือดร้อนอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจ์โดยชอบธรรมพึงเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างนี้คุณสมบัติของผู้เป็นโจทห้าอย่างท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจคนอื่น พึงมนัสการคุณสมบัติภายในตนเท่าไรแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์คนอื่นพึงมนัสการคุณสมบัติภายในตน5อย่างแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือ 1. มีความการุณ 2. มุ่งประโยชน์ 3. มีความเอนดู 4. มุ่งออกจากอาบัต ยึดวินัยไว้เป็นแนวทางอุบาลีภิกษุผู้เป็นโจ์ประสงค์จะโจ์คนอื่นพึงมนัสการคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างเหล่านี้ก่อนแล้วจึงโจ์ผู้อื่นผู้ถูกโจ์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองอย่างท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถูกโจดพึงตั้งอยู่ในธรรมเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองอย่างคือหนึ่งความจริงสองความไม่ขุนเคืองทุติยะพาณวาระจบปาติโมคขัฏฐปณะขันธกะที่9จบในขันธกะนี้มี30สบเรื่องสองพาณวาะ ที่มีในปาติโมกขัถปณะขันตกะเรื่องในวันอุโบสถภิกษุผู้มีบาปถูกไล่สามครั้งไม่ยอมออกไปถูกพระโมคลนะฉุดออกไปเรื่องความอัศจรรย์ในพระธรรมวินยัยคือมีการศึกษาไปตามลำดับเปรียบด้วยมหาสมุทรที่ต่ำลาดลึกลงตามลำดับพระสาวกไม่เลือมเมื่อเสีขาบทเปรียบด้วยมหาสมุทรมีปกติไม่ล้นฟัง สงย่อมขับไล่ผู้ทุศีลออกเปรียบด้วยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นฝั่งวันณะสีมาบวชเป็นบนรรพชิตแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมเปรียบด้วยแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมภิกษุจำนวนมากปรินิพานเปรียบด้วยน้ำไหลลงมหาสมุทรพระธรรมวินยัยมีวิมุติรสอย่างเดียวเปรียบด้วยมหาสมุทรมีรสเค็มอย่างเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะมากเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลแปดจำพวกเปรียบด้วยมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์ขนาดใหญ่แล้วยังคุณในพระศาสนาให้ดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ ง, งดปาติโม่ไต่ผู้มีอาบัติติดตัวในวันอุโบสถพวกภิกษุชาพาคีปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักเราทั้งที่มีอาบัติติดตัวก็ยังทาอุโบสถ แล้วกลัวว่าภิกษุผู้มีศีลดีงามจะงดปาติโมกแก่ตนจึงรีบกล่าวโทษผู้อื่นก่อนการงดปาติโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างการงดปาติโมกชอบทำหนึ่งอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสองอย่างการงดปาติโมกชอบทำสองอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสามอย่างการงดปาติโมกชอบทำสามอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสี่อย่าง การงดปาฏิโมกชอบทำสี่อย่างการงดปาฏิโมกไม่ชอบทำห้าอย่างการงดปาฏิโมกชอบทำห้าอย่างการงดปาฏิโมกไม่ชอบทำหกอย่างการงดปาฏิโมกชอบทำหอย่างการงดปาฏิโมกไม่ชอบทำา7อย่างการงดปาฏิโมกชอบทำเจดอย่างการงดปาฏิโมกไม่ชอบทำา8อย่างการงดปาฏิโมกชอบทำแดอย่าง การงดปฏิโมกไม่ชอบทำเก้อย่างการงดปฏิโมกชอบทำเก้อย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสิบอย่างการงดปฏิโมกชอบทำสิบอย่างภิกษุงดปฏิโมกเพราะวิบัสสีอย่างคือศีลวิบัติอาจาราวิบัติทิฐิวิบัติและอาชีววิบัติที่ชอบรำและไม่ชอบธทำภิกสุงดปฏิโมกเพราะอาบัตห5กองคือปาราชิก สังฆาทิเศตปาจิตตีปาติเทสนียะและทุกกรที่ชอบทำและไม่ชอบทำภิกสุงดปาติโมเ พ, พราะวิบัติ6คือสีรวิบัติอาจารวิบัติและทิฐิวิบัติที่ภิกสุทำและไม่ได้ทำที่ชอบทำและไม่ชอบทำภิกสุงดปาติโมเ พ, พราะอาบัติเจ็ดกองคือปาราชิกสังฆาทิเศตทุนละใจปาจิตตี ปาฏิเทศนิยะทุกกฎและทุกพาสิทธิ์ที่ชอบทำและไม่ชอบธรำภิกษุงดปาติโมกพ ร, ร, าาระวิบัติ8คือศีลวิบัติอารจารวิบัติทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติที่ภิกษุทำและไม่ได้ทำที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรำภิกษุงดปาติโมกพราะวิบัติ9วิธีคือเพราะศีลวิบัติอารจารวิบัติทิฏฐิวิบัติ ที่ภิกษุทำไม่ได้ทำทั้งที่ทำและไม่ได้ทำที่ชอบทำและไม่ชอบทำพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ผู้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุงดปาติโมกมีลักษณะสิบคือ 1. ภิกษุเป็นปราชิก 2. ถ้อยคำปรารพผู้เป็นปราชิกได้ค้างอยู่ 3. ภิกษุบอกเคลื่นศีกขะส่ 4. ถ้อยคำปรารพผู้บอกเคลื่นศีกขาได้ค้างอยู่ ภิกษุไม่ร่วมสมคี 6. ผู้ค้านสมคี 7. คําคำค้านสมคีค้างอยู่ 8. ถึง 10. มีผู้ได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยเพราะศิลวิบัติอาจารวิบัติและทิฐิวิบัติภิกษุงดปฏติโมเพราะเห็นเองผู้อื่นบอกเธอหรือผู้เป็นประชิกนั้นบอกความจริงแก่เธอบริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายสิบอย่าง คือพระราชาโจรไฟน้ำมนุษย์อมนุษรรย์สัตว์ร้ายสัตว์เลื้อยคลานชีวิตและพรหมจรรย์อธิบายความเรื่องงดปฏิโมกี่ชอบทำและไม่ชอบทำตามที่กำหนดไว้ภิกษุผู้โจทย์พึงตั้งคุณสมบัติภายในตนคือกล่าวโดยการที่ควรกล่าวคำจริงคำที่มีประโยชน์จะเป็นพักพวกมีทะเลาะกันเป็นต้น ผู้เป็นโจ์มีกายวาจาบริสุทธิ์มีเมตตาจิตเป็นพระหูสูตรรู้ปาติโมกทั้งสองฝ่ายภิกษุพึงโจทดโดยการอันโควนกล่าวด้วยเรื่องจริงด้วยคำสุภาพด้วยคำที่มีประโยชน์ด้วยเมตตาจิตเพราะถูกโจ์โดยไม่ชอบทำภิกษุเดือดร้อนก็พึงบรรเทาความเดือดร้อนภิกษุผู้โจดและผู้ถูกโจดชอบทมพึงบรรเทาความเดือดร้อน พระผู้มีพระภาคทรงประกาศข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะโจทย์ไว้หอย่างคือความการุณมุ่งประโยชน์มีความเอนดูการออกจากอาบัติและยึดพระวินัยไว้เป็นแนวทางผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในความจริงและไม่ขุนเคืองปาติโมกขัทปณะขันธกะจบ